เพระว่างเพราะเหตุใดเพราะท่านไม่ยึดถืออดีตเพราะท่านไม่ยึดถืออนาคตเพราะท่านไม่ยึดถือปัจจุบันเมื่อท่านไมย่มยึดถือสิ่งใดก็ไม่มีสิ่งที่จะหนักในองค์ท่านในจิตใจขององค์ท่านการกลัวแพ้กลัวชนะขององค์ท่านก็ไม่มี ปัญหาไปแล้วแก้ปัญหาของตนหมดแล้วไม่มีปัญหาใดๆที่จะมาสอดแทบตนให้หนักใจไม่มีปัญหาอันใดๆจะเกิดมาถามตนเพื่อให้แก้ตนไม่ได้ เห็นชาติมีแต่โทษเห็นชาติมีแต่ลุ้มชานเพลิงเห็นชาติมีแต่หอกแตงเ้าเห็นจนถึงเพียงนั้นจึงจะมีห้นทางเบื่อนหน่ายถ้ามีที่แห่งใดแห่งหนึ่งแอบกินอยู่ก็ไปลอยไม่รอดละปล่อย ไ, ไม่รอดไหยความว่าไม่พ้นทุกข์ในก็จจบันในชาติ ทำมาไม่รอดในที่นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้บุญเสียเลยไม่ได้หมายความอย่างนั้นอามาไปไม่รอดในที่หมายความว่าไม่สามารถพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้นนนชาติเดี๋ยวพอไปไม่รอดในชั้นในชั้นละเอียดถ้าโสดาบันก็หมายความว่าท่านจะไปรอดอยู่ เพราไม่เกิอดอีกหลายชา ต, ตถิถ้าพูดให้เด็ดเดียวไปกว่านั่นก็ถ้าม่คนทุกในปัจจุบันในชาติก็เรียกว่าไปยังไม่รอดก็จะได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกอยู่ถ้าโชดาวันยังไในมาเกิดแก่เก็บตายอีอยู่ถ้าจะคาราพามีอนาคตมีตรงนั้นกันห่วงคนทุกในปัจจุบันในชาติก็ตีความหมายแบบไปไม่รอดอย่งน หวังเกิดในพพต่อๆไปก็เข้าใจว่าจะไปรอดก็รอดจริงแต่ว่ามันยังมีพบอยู่อย่างนี้จะพึ่พรมอาจารย์เพื่อจะได้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ดี พ ม, มจรย์ของพวกนั้นชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าด่างชื่อว่าพ้อยคุณนั้นประพุตพ ม, มจรย์ไม่บริสุทธิ์ยไม่พ้นไปจากทุกได้ไมยคอปัจจุบันในชาติส่วนเป็นนิสัยไปในชาติอื่นๆนั้นเป็นไปอยู่ ลมเข้าข้างหนึ่งเป็นรูปประชาชาติหนึ่งขณะกิจนึกขึ้นขณะจิตหนึ่งเป็นนามธรรมชาติข้างหนึ่งเป็นนามธรรมชาติชาติหนึ่งชีพจรเดินตับข้างเดียวเป็นรูปประชาตข้างหนึ่ง เป็นรูปพระพบข้างหนึ่งเป็นรูปชาติข้างหนึ่งเป็นชาติข้างหนึ่งเป็นชาติชาติหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมีกี่ชาติที่แต่ตายแล้วเกิดตายและวเกิดเป็นมนุษย์ทีนี่ชั่วโมงหนึ่ง ทีหกสิบนาทีนาทีหนึ่งมีหกสิบวินาทีชีพจรเดินข้างหนึ่งคงเกือบจะตรงกันกันกบวินาทีหนึ่งเป็นชาติหนึ่งนะธนกิจที่นึกขึ้นเร็วกว่านี้ไปอีก เป็นนามชาตินนตายแล้วเกิดตาแล้วเกิดตายแล้วเกิดเหมือนกัน อ, กอยู่กวพาฏิสชั น, นะเกิดเร็วดับเร็วในพระอภิธรรมเยกว่าปฏิสชั น, นะ อบายใดๆเพื่อให้นายเพื่อให้คลายเมาในวัฏฏะสงสารเพื่อให้เคล็ดลาบในวัฏฏะสงสารอุบายนั้นจะเป็นภาษามคตกกว่าตามจะเป็นภาษาบาลีกว่าตามมีคุณค่ามากกว่าอุบายที่ให้เพลินให้เรือตัวทำมาในทําให้สลดในวัฏฏะสงสาร ให้สังเวชในวัตาสงสารให้เอื้อมละอาในวัตาสงสารทำอันนั้นเป็นธรรมที่มีค่ากว่าธรรมที่เป็นกินตะกวีทำเรื่องกิมให้เคลื่องเพื่อให้ทายระในเชิงกาบเพื่อฟังสนุกสนุกแต่ไม่มีอุบา ย, ยเพื่อจะเบื่อหน่ายใายเมาในวัตาสงสารทำส่วนนั้น จะฟังกันตลอดรุ่งสามวัน3าคืนก็ไม่เท่าพาสิบบทเดียวที่จะทำให้ละอาให้เอือมละอ า, าในวัฏสงสารให้เคล็ดลาวถ้าไม่เป็นนิยานิกระทาทำให้เพลินเฉยเมื่อตายคาหนังยางสูงก็ไปเกิดในเทวโลก จิตตั้งมั่นอยู่ในความไม่เพลินในวัฏสงสารก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันก็เรียกว่าปัญญาเหมือนกันจิตเห็นโทัดเห็นภายในวัฏสงสารอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันก็เรียกว่าปัญญาเหมือนกันก็เรียกว่าสีเหมือนกันก็เรียกว่าโลกุตระธรรมเหมือนกันเขาเรียกว่าโลกุตระศีเหมือนกัน เพราัดศีลในที่นั้นเขาเรียกว่าโลกุตะปัญญาเหมือนกันพอรอบครอบอยู่ในที่นั้นเขาเรียกว่าสมัญตะจักสุเหมือนกันเพราะจักสุรอบครอบเขาเรียกว่าปัญญาจักสุเหมือนกันจักสุคือปัญญาก็เรียกว่าทิปปะจักสุเหมือนกันเพอะเห็นอย่างแบบทิปป์แบบเป็นของทิป ไม่ยากเกิดเห็นขึ้นง่ายเพราะชำนาญก็เรียกว่าของทิพย์เหมือนกันถ้าจะเรียกแบบยากให้เข้าใจง่า ย, ายไฟก็เป็นของทิพย์ไปจับเวลาไหนก็ร้อนเวลานั้นเรียกว่าของทิพย์เหมือนกันแต่ทิพ์ทางทางฝ่ายทุก ผลของเหตุก็เป็นของทิพย์เหตุไปทางดีทางตั่วก็เหมือนกันเหตุก็เป็นเหตุทิพย์พอบุคคลมีอิสระที่จะสร้างได้ในทางดีและทางตั๋วก็ดีเจ่าของทิพย์เราก็จะไปหาของทิพย์ในเมืองสวรรค์ไหมอีกทีนี่ของทิพย์มันมีอยู่ในปัจจุ บ, บันเหมือนกัน นับตาเข้าก็มืดก็เป็นของทิพย์เหมือนกันลืมตาก็เห็นเป็นของทิพย์เหมือนกันทิพย์เป็นคนกระทาเป็นของทิพย์ทั้งทางบุญและทางบาปทั้งทางดีและทางชั่วเมื่อผลของเหตุมีอยู่ของทิพย์ก็มีอยู่เมื่อผลของเหตุไม่มีของทิพย์จึงไม่มี ทัตถุเป็นของกลางไม่รู้ว่าทัตถุไปทางดีหรือทางตั่วคําว่าเหตุก็เป็นของกลางไม่รู้ว่าเหตุไปทางดีหรือทางตั่วคําว่าผลก็เป็นของกลางไม่รู้ว่าผลมาจากเหตุดีหรือเหตุตั่วคําว่าพืชก็เป็นของกลางไม่รู้ว่าพืชไปทางดีหรือทางชั่วคําว่ากิริยาก็เป็นของกลางไม่รู้ว่ากิริยาไปทางดีหรือทางชั่ว ถ้าอยากให้รู้จักก็ให้รู้จักก็ต้องมีความหมายต่อไปอีกมักไปว่าหนทางแต่ว่าหนทางไปทางผิดหรือทางถูกถ้าห้นทางไปทางผิดผิดก็ไม่ใช่มักไปทางดีมักไปทางตัว ความความชั่วขรรยามหามรรยายมหาเหตุไรยมหาพืชไรยมหากรรมเหตุพืชกรรมต้องครอบกันได้ผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมผลของกิริยากผลของครอบกันเขาได้ส่วนไปในทางทฤษฎีทางถูกขึ้นอยู่กับเหตุเป็นประมาณขึ้นอยู่กับกรรมเป็นประมาณขึ้นอยู่กับพืชเป็นประมาณ ไปทางโลกียะหรืโลกุตละก็เหมือนกันจิตใจก็เป็นของทิพย์ไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ทิพย์นึกไปทางดีผลของของความดีก็ามาหาใจนึกไปทางตัวผลของความเจวก็มาหาใจนึกเบียดเบียนท่านผู้อื่นผลของความแบบเบียดเบียนก็ามาหาใจ นึกเมตตาการุณาผลของเมตต า, า, ากรุณากรมาหาใจเรียกวก็เป็นของคิดเมืม่อเป็นดยงนี้เราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธศาสน า, าพระพุทธศาสนาอาศัยรับเหตุผลพระผู้สร้างเหตุสร้างผลก็ตนสร้างขึ้นผู้ได้รับผลก็ตนมันสร้างขึ้น ตนสมมุติว่าใจใจสมมุติว่าตนในฝ่ายสมมติใน ม, มีการสงสัยลงมือทำเท่านั้นลงมือปฏิบัติเท่านั้นไม่สงสัยในหนทางเดินช้าก็ถึงช้าเดินเร็วก็ต้องถึงเร็วไม่สงสัยในหนทางว่าจะไม่ ไปถูกทางเดินเร็วคือยังไงคือผู้มีสติปัญญาสมดุลเดินช้าคือผู้ขาดสติปัญญาเรียกว่าดูช้าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไม่ใหมายเอาวันเวลาเป็นประมาณหมายเอาขณะสติขณะปัญญา ถือเอาอายุพันษาเป็นประมาณถือเอาถือเอาสติถือเอาปัญญาเป็นประมาณไม่ได้ถือเอาวัยแก่วัยหนุ่มเป็นประมาณถือเอาสติปัญญาเป็นประมาณสติไปในทางที่ถูกปัญญาไปในทางที่ถูกไม่ใช่มิจฉามิจฉาสติไม่ใช่มิจฉาปัญญาสัมมาสติสัมมาปัญญา สติชอบปัญญาชอบไม่สันทับในการปาลุกผักกาเพราะเราเคยเอ่ยแต่ภาคอีสานแต่สิ่งทั้งปวงมันก็เป็นสมมุติ ท่านอาจารย์มหาปิ่นท่านเล่าให้ฟังภาษามรคตคำว่ากินก็บอกว่าพุนชันติท่านพูดอย่างนะี้ภาษาภาคอีสานก็เรียกว่ากินข้าวหรือกินอาหารภาษาเอียดก็นับว่า ก็ว่ามาอีกกว่านะั้นวารับทานพระบรมราชาก็บอกว่าสวยพระกยายหารภาสามคตก็เรียกว่าภุนชันติยวนก็ว่าอันเกิมจีนไหวยังไงไม่ทราบเกี่ยปึ่งหรืออะไรไม่ทราบ มันสมมุติจริงๆน่ะเอ้ยท่านพูดพวกเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพูดพอรู้จักภาษากันก็เอาลักท่านพูดท่านฮาปินท่นฉลาดพูดพอมันเป็นสมมุติจริงๆท่านพูดพูดกันพอส่งภาษารู้จักความหมายกันก็เอาละจะเอาดีเอาเด่นมันก็ไม่ได้ท่านพูด เพ่นจะให้จีนมาพูดภาษามอคต์อุลลุมปรตุมังพันเตอุลลุมปรตุมังพันเตจีนมาบวชจีนก็บอกว่าอองลองปรตุมังพังเตมันก็ไม่ถูกตามความประสงค์แต่ว่าพอรู้จักภาษากันก็เอาระ นาจารย์มหาปิ่นท่านอธิบายพอฟังของท่านมันสมมุติจริงๆอย่าได้ยึดยึดมั่นถือมั่นอย่าให้กระเทอือนจิตแล้วกนแลกกันดอกล่าเอ๋ยท่านพนูดนายจารย์มหาปิ่นสลิตโตนคนปรปฐมน้องเนอขาวที่ท่านมณฑนภาพอยู่ที่ลาดบุรี ท่านองค์นี้เป็นผู้เป็นผู้สนใจในทางฝ่ายปฏิบัติเพื่อลุกพ้นเหมือนกันก็เคยได้อยู่ก็เคยได้พักอยู่กับ อ, องค์ท่านเหมือนกันเป็นคนใจขอกว้างขวา ง, อ ง, องสองคนทุกข์ในวัตจาทรงสาร ลมเข้าข้งหนึ่งเป็นวัตฏะสงสารรอบหนึ่งลมออกก็เป็นวัตฏะสงสารรอบหนึ่งเป็นอนิจจังรอบหนึ่งเป็นทุกขังรอบหนึ่งเป็นอนัตตรอบหนึ่งเป็นศีลรอบหนึ่งเป็นสมาธิรอบหนึ่งเป็นปัญญารอบหนึ่งเหมือนกันเพราะมีสติรู้อยู่การที่มีความเห็นอย่างนั้นเองมันเป็นตัวศีล มันเป็นตัวสมาธิมันเป็นตัวปรรัญญามันเป็นตัวพุทธธรรมสงูงทีนี้เป็นตัวพระพุทธศาสนาทีนี้เป็นตัวของการเดินมักเป็นตัวของผลของมัจคือผลของการพิจารณาอย่างนั้นเป็นตัวของเหตุคือเหตุที่พิจารณาอย่างนั้น เป็นตัวของผลคือผลของเหตุที่พิจารณาอย่างนั้นบางท่านพูดว่า เราจะยุบกรรมฐานและให้มันมีในโลกกรรมฐานก็มีครูบาอาจารย์องค์น่ท่านลองดูที่ตนเองก็ขอโอกาสท่านจะยุบกรรมฐานจะบวชยังไง เจ้าโรมานขาสันสราตโจมีแต่กรรมฐานทางนั้นเกเก็บตายก็มีแต่กรรมฐานทางนั้นผมขนเล็บฟันหนั้นก็เอ็นกระดูกเยื่อกระดูกมามหัวใจดึง น, น้ำไฟลงตลอดอาการสามที่สองด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเป็นกรรมฐานทางนั้นความเกิดขึ้นแปรปวนและแปกสลายก็เป็นกรรมฐานทางนั้น ใครจะยุบกรรมฐานได้ท่านรมศาสดาก็ยุบไม่ได้ฐานะแปลวิชิตตั้งเป็นที่ตั้งของความเกิดความเกศความเก็บความตายเป็นที่ตั้งของคุณของวัคพุทธธรรมปสงพุทธานุสติธรมานุส ต, ติสังขารณุสติศีลราชาคาเทวตาอุปสะมนาสายค า, าตามานาอาณาตนะสติเป็นกรรมฐานทางนั้นจะยุบยังไงใครจะยุบได้ใครจะเป็นกองทัพธรรมมามาลบกับธรรมให้แตก หนีออกจากโลกและนอกโลกได้รูปประทานนามธรรมก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้นถ้ายุคกรรมฐานจะบวชยังไงตกลงก็เลยคานี่เอาเหลี่ยมใหม่อีกพี่นี่ถ้าอย่างนั้นมาให้ไปอยู่ป่า อยู่ในที่สำนักอันนั่นเป็นปึกแผนเนี่ยนาไม่มีทํานี่ะไม่ควรให้อยู่ทีนี้ถ้าหากว่าตัดป่าออกแล้วพระไตายปิฎกก็ไม่ครบพระไตาปิฎกแต่ละบทระบาด ตลอดถึงพว่วนายก็กล่าวถึงป่าอยู่ทุกจุดจำภรรษาในเจนาสนาป่าออกพรษาแล้วอยากแก่ใจกีวันทุ่นนายพุ่นหนุ่ไว้ในบ้านเมื่อมีเหตุก็เก็บไว้ได้เตรียงหกคืนเป็นอย่างนี้ถ้าเก็บให้เกินปุหกคืนไปตรงนี้สิกี่ปัสิบปีอรันเยลุกขมูเลวาสุนยาคาเลวพิโคกล่าวทึกป่าอนุษาก็บอกถึงป่า ลูกขมูเ ส, เสนาชนะเขอให้แสวงหาจนวันตายไม่ได้บอกว่าให้แสวงหาในตลาดหรือในเมืองถ้าแสวงหาที่เวเว๊ที่นีจะยุบยังไงจะยุบได้ปัญหาอีกที่นี้เอาเรียมมาอกีกถ้าอย่างนั้นจะอยู่ที่ไหนขอให้มา เขียนใบเช่าวะให้มาเขียนใบสัญญาจะเขียนทำไมคลัต่ตอบถ้าที่ไหนเป็นที่อยู่อยู่จนวันตายถ้าที่ไหนไม่เป็นที่อยู่วินาทีเดียวก็ไม่อยู่ แแต่ความสะดวกรับธรรมะเป็นประมาณถ้าอย่างนั้นมาให้จำพรรษาการจำพรรษาในพระพินัยตอบทีนี้พระบรมศ า, าสดาสอนมาให้จำพรรษาในกระท่อมผีในตุ่มในคาในครบหทีห่ไหนจะจำที่ไหนก็แล้วแต่สะดวก ถ้าหากว่าเราไปบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นไปถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วจะไม่ผิดเอาพริหารอย่าทำดอกหรือสักก็ค า, าเอาไปอีกเหลี่ยมหนึ่งอีกถ้าอยู่ในภูในเขามันมีลาบมียอดมาก ทีนีมันไ ม, ม่มีลาบมันมียศอะไรดอกกับผมมันก็มีแต่ขี้หินหละ่ะอดจะตายจะเที่ยวบินทบาทด้วยตรีแคลง้าให้สะดวกสบายเหมือนอยู่ในบ้านในเมืองมันก็ไม่สะดวกลวะถ้าเป็นโตมาเป็นลาๆ วันนั้นรับมีมวลที่นั่นวันนี้รับมีมวลที่นี่ น, นั้นมันทุกจะตายมันจะมีลาบที่ไหนครับเอาไปอีกเรียมหนึ่งที่นี่การที่ภครทำกระต๊อบอยู่ที่ภูที่เขาที่ป่าไปทํากระท่อมไปทํากระหน่ำมันไปทํา ให้พวกโจรอยู่ไปคุกคีกับพวกโจรพวกคนามนิดไปทําที่อยู่ให้เขาตอบจช่ไหเพราโอกาสถ้าอย่างนั้นกระน้าตามนาของเขาเสียงนาของเขาไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวลื่อนทิ้งเสี้ยกระน้าไรกระน้านาของเขา ก็ผมว่าโจรก็ดีผู้ร้ายก็ดีือคอวามเหนียวนิดก็ดีมันไม่อยู่ที่ป่าและที่บ้านที่เมืองอะไรดอกมันอยู่หัวใจของมนุษย์อยู่ในกรุงเทพมันก็มีอยู่ในพระนครหลวงมันก็มีอยู่ต่างจังหวัดก็มีต่างหัวเมืองก็มีต่างตำบลอำเภอมันมีอยู่หมดเพราะมันมีอยู่หัวใจมันมันไม่อยู่ในประองภายนอก เอาไปเอามาก็เลยหัวเราะทีนี่เออเราลองดูเฉยๆดอกจะแก้ไปยังไงเพอะอนแรกที่เราระหาโอกาสตามลุกไป อ, อีก ผู้บวชเนี่ยมาม า, ม า, มาเนี่ยมาในพุทธศา ส, ศาสศานาเจตนามันเหมือนกันครับบางท่านก็บวชมาเรียนหนังสือเพื่อจะไปเป็นทหารพอออกไปพอมีวิชาบ้างตามนิสัยของท่านเหล่านั้นบางท่านก็บวชเพื่อจะเรียนไปเอาชั้นเอาภูมิก็ตามนิสัยของท่านบางท่านก็บวชพอเป็นธรรมเนียมพอเป็นทิศเป็นเชียง บางท่านก็หวังเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารเพราะเหตุใดเพราะเหตุรวาสศาสนาบารมีสร้างมาแต่พวกก่อนชาติก่อนม่เหมือนกันบางท่านก็แก่ก้าแล้วบางท่านก็ยังไม่แก่ก้าที่นี่จะให้เจตนาอยู่ระดับเดียวกันมันก็ไม่ได้เมื่อมีผู้เชอบใจในที่สงัดเขาก็ต้องเข้าป่าเพราะป่ามันมีมาแต่ข้างพระ อ, องค์ภูมิเนิสัยอย่างนั้น ผมีนิสัยจะอยู่กับใกล้บ้านท่านก็อยู่ใกล้บ้านที่ถ้าหากว่ารัฐบาลจะตั้งห้ามไม่ให้พระพิสจไปอยู่ป่าก็เข้ากับว่าทำลายพระพุทธศาสนา ก็เ่นไวแต่ว่าป่าที่มันเป็นบางแห่งจะสั่งให้ย่าจะสั่งให้นี้บ้างในเวลาบ้านเมืองเป็นเจราจนสมัยก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าห้ามขาดเลยก็ไม่ถูกธรรมะ ท่านก็หมดตัญหางจ่นี่นงิงแล้วนี้เอามาปลาลุกทำไมบางทีลมพัดมาลูกๆหลานๆจะพากันล่มปลามหาวันก็เป็นวัดป่าเต็มภูม เส้นในเมืองกระ บ, บินนะครับวัดปลาที่เต็มภูมิไกลจากบ้านยี่สิบห้ากิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรยี่สิห้าเส้นไม่ใช่ยี่ห้ากิโลเมตรห้าร้อยขาธนูขาธนูหนึ่งสี่สองในโบราณไม่ได้เรียกว่าเส้น ม่เรือกวักกีลูห้าร้ขาธนุรัตเลระวันสวนม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายก็ไกลจากบ้านพอควรเป็นรัดป่าท้งนั้น วัดอัมพวันป่าไม้มะม่วงที่นางมันลิกาถวายกับพระเจ้าประเสิิ์ก็เป็นป่าเต็มภูมิวัดปุบผาลามที่นางวิสาขาถวายก็เป็นป่าเต็มภูมิกุดาคารป่ามหาวันก็เป็นป่าเต็มภูมิ เราจะเข้าใจว่าวัดป่าเกิดที่หลังวัดบ้านมันก็ไม่ถูกเราลองคิดดูว่าในระหว่างสามสิบปีกว่าๆน า, านน้วัดสุทธาวาสที่หลวงปู่มั่นนิพานนั้นเป็นวัดป่าเต็มภูมิไปบินทบาดหนึ่งกิโลเมตร ในสมัยนั้นทุกวันนี้เป็นบ้านเป็นเมืองเขารอบวัดหมดแล้วเพืองสามสิบปีกว่ากว่าสองพันห้ารอยยี่สิบห้ามาแล้วบ้านกืนกินวัดไม่ใช่วัดกืนกินบ้านเพราะคนมาก แผ่นดินครับแค่ที่นี่เราจะตีความหมายว่าวัดป่าเกิดที่หลังวัดบ้านเป็นความข้อจารึกของเราเราเรียนน้อยมากคามวาสีอรัญวาสีก็ไม่ีมาแต่สั้งพระองค์ ปริยัตปฏิบัติปฏิเวศก็มีมาแต่ทั้งพระองค์เราจะดูถูกปริยัตก็ไม่ได้ถ้าไม่มีปริยัตก็ไม่มีปฏิบัติก็ไม่มีปฏิเวศหน้มูอตัวเดียวเขาเรียกว่าปริยตเราพิจารณาสภาวกายก็เรียกว่าปริยัตพยัตลงในกายนี้เมื่อเราพิจารณาก็เป็นปฏิบัติ เมื่อผลของปฏิบัติมีก็เป็นปฏิเวทถ้าสูตรก็คือสูตรของกายของวาจาของใจพระปรมตทก็คือมัดเข้าในกายในวาจาในใจาาพระอภิธรรมล้ำลึกพูดเรื่องของกายล้ำลึกพูดเรื่องของวาจาล้ำลึกพูดเรื่องของใจล้ำลึกเรียกว่าพระอภิธรรม พูดเรื่องของแก่รลลวดก็ได้บาลีทีนี้บาลีคัดออกจากกายบาลีวจชีบาลีมโนวาบาลีถ้าว่าเป็นสามถ้าว่าเป็นติกะถ้าว่าเป็นสองอกกายกับใจคัมภีร์ก็เหมือนกัน ยุลานิเทศก็เรียกว่าอธิบายน้อยมหาวัต ก, ก็เรียกว่าอธิบายหลายวัคทีพวักก็เรียกว่าอธิบายยาวคำทีนั้นอธิบายยาวมัชชิมาวัค ก, ก็เรียกว่าอธิบายพอขณะกาก็อธิบายเรื่องกายวาจาใจถ้าย่อดลงมาเป็นสองก็ากายกวาจากายกับใจ ถ้าย่นลงมาเป็นหนึ่งก็อธิบายเรื่องใจสั้นเรียกว่าจุนหรอวะตกลงพระใจปิดกก็อยู่ในสกุละกายรายใจใจของพวกเรานีส่วนที่เอาไปบัญญัติไว้ในตู้ก็คือตำราภายนอกตำราภายในคือสกุละกายของเรานี่เองบัญญัติออกจากนี่หมด จักขุอันุ่าตาตัวต่อสละอาอยู่ในหนังสือในตู้ไม่ใช่ตานี่ตาอยู่กับของเราทุกคนโสตังอันว่าหูหูไม่ใช่อยู่ในตู้เป็นตัวหอสระอูเฉยๆนี่หูของพวกเราจมูกก็เหมือนกันริ่นกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันเนี่ยเป็นดังนี้ ต่างท่านก็ต่างหอบพระใจพิดกอยู่ทีนี้พระสองแขนสองหัวหนึ่งพระใจปิดกใจแปลว่าสามปิดกแปลว่าที่รวบรวมคำสอนคล้ายๆกับฉลอมหรือตะก้าตะก้าที่เก็บของ นอนพ้อพระไตพิ่ดกอยู่พวกเรานอนพ้อพระพุทธศาสนาอยู่พระพศาสนาอยู่ที่ใจเทศอยู่สี่สิบ้าภษาก็เทศออกจากกายจากใจนะจักขุงพิฆเเว อ, อนั ต, ตาตาไม่ใช่ตัวตนเน้อ ตากระผมไม่มีครับไม่มีใครคัดค้านพรบรมศาสดานั่นตานั่นหูนั่นจมูกนั่นลิ้นนั่นกายนั่นใจอท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้เป็นความเบื่อหน่ายตากระผมไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีก็คัดค้านไม่ได้อืเทศีสี่สิบห้าพรษาพ่นก็พ้นจากอันนั้นปฏิบัติก็ปฏิบัติอันนั้นไม่พ้นก็ไม่พ่นจากอันนั้น พ่นก็พ้นจากกายวาจาใจไม่พ้นก็ไม่พ้นจากกายวาจาใจยน่นโลกเข้ามาแล้วสิืน่นพระใจปีดกเข้ามาแล้วนี้เทศไม่มีน้โมเทศยังไงเทศไม่มีพาสิตเทศยังไงบางท่านน้โมก็แปลว่านอนน้อม น้อมน้อมแล้วเคารพธรรมะอยู่ก็เรียกว่ามีน้าโมจะว่าหรือไม่ว่าก็นจะเป็นสนัญหาไม่มีพาสิทเทพไม่ยกพาสิทเทพยังไงผู้ฟังก็เอาพาสิตธิฟังผู้เทศก็เอาพาสิทเทพกายวาจาเป็นพาสิตแล้วกายวาจาใจเป็นพาสิตแล้ว ผู้เรียนทำมาบทก็เรียนมโนพุทพังเขางมาธรมามโนเสถิามโนโมยามทำทนายมีใจเป็นอย่างบาปก็มีใจเป็นหัวหน้าบุญก็มีใจเป็นหัวหน้าตับและดีของพะใจพี่ดกก็คือใจลากเงาข้อมูลของพระใจพี่ดกก็คือใจอใช่ใช่ไปถ้าทําไปทางผิดก็ผิดถ้าทําไปทางถูกก็ถูก ใจมีคุณเป็นมหารนี่โทษเป็นอนันต์เหมนกันทำไปทางถูกก็ถูกเป็นอนันต์ทำไปทางผิด ก, ก็ผิดเป็นอนันต์นี่ความเสื่อมความเจริญคนใกล้ชิดนํามาท่านพูดอย่างนั้นความเจริญก็คนใกล้ใกล้ชิดนํามาความเสื่อมก็คนใกล้ชิดนํามา ใจเป็นคนใครคิดก็คือใจเก็ใจเป็นผู้นํามาถ้าจะเสือ่อมก็ใจพาเสือ่อมถ้าจะเจริญก็ใจพาจเจริญถ้าจะพาเป็นคุณก็ใจพาเป็นคุณถ้าจะพาเป็นโทษก็ใจพาเป็นโทษนะเนศวรนาจะพาลานะังอย่าพบคนผ่านนะ ขณะใจใจของเราเป็นพานเราอยากไปคบมันอยาไปส่งเสริมมันขณะใด้ิตใจของเรามีพระพุพะทธธรรมประสงค์มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จงคบเส ม, มอเส ม, มอพูดท่านปฏิบัติงายงายปฏิปฏิรูปประเทศสวัส์อยู่ในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรคือประเทศไหน ถ้าเราย่อมาให้ปฏิบัติง่ายๆคือประเทศใจถ้าใจสมควรในธรรมะเขาเรียกว่าประเทศควรถ้าใจไม่ปฏิบัติธรรมะเขาเรียกว่าประเทศไม่ควรพูดปฏิบัติคัวง่ายๆสมนานานจะทัศนังการเห็นสมณะเป็นมงคลอนุลม์จิตใจเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปิดขึ้น นจิตในใจเขาเรียกว่าพกสมณะเพรจิตใจเป็นสมณะเพราะว่าจัสตาเป็นผู้ง่ายสองง่ายใครเป็นผัวง่ายสองง่ายก็คือจิตใจเป็นผัวง่ายสองง่ายผู้กระด้างกระเรืองก็คือจิตใจเป็นผู้กระด้างกระเดือง ในตะมังคลรมุขตะมังเป็นมงคลอันอุดมก็เป็นมงคลอนุรมแก่ใจเป็นอัปามงคลก็เป็นอปามงคลแก่ใจในรับเหตุก็คือใจเป็นผู้สร้างเหตุในรับผลก็ใจเป็นผู้สร้างผลนอกจากการมันมีอะไรจะสร้างเหตุผลให้เกิดขึ้นใจเท่านั้นจะสร้างเหตุผลให้เกิดขึ้นใจเท่านั้นน่ะได้รับผลของเหตุ ในทางนีและทางตัวขอามาเกกันนอกจากใจาม่มีอะไรจะเบียดเบียนใจสิจ่งอื่นเบียดเบียนไม่ได้ดีนมม้ำใส่ลมไมมาเบียดเบียนใจก็ใจเท่านั้นเบียดเบียนใจถ้าทำไม่ถูกถ้าทำถูกก็เป็นที่พึ่งของใจได้ถ้าทำไม่ถูกก็เป็นที่พึ่งในทางที่ไม่ถูกได้ผลในทางที่ไม่ถูก เมตตาตนกับเมตตาใจก็อันเดียวกันปฏิบัติตนกับปฏิบัติใจก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าสปาลุกในเรื่องตนปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็คือปฏิบัติพระพุทธศาสนาใจนั่นเองเข้าใจเป็นหัวหน้าธรรมศาสนาทั้งรรศาสนาก็เหมือนกัน จากทุกข์ในวัฏจักรสองสามก็คือใจเป็นผู้พ้นจากทุกข์พ้นจากเสียงก็คือเลียกเป็นผู้พ้นพ้นจากความสะอาดก็คือผ้าเป็นผู้พ้นก็มีความหมายอันเดียวกันถึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องนอกผู้เยนหมาย ถ้าใจพ้นจากทุกพอแล้วใจมันก็ไม่ต้องทํางานในเรื่องที่จะพ้นทุกอีกก็จบ จ, จิตใจจบจิตใจก็คือจบจิตพระพุทธศาสนาพระนรหันต์จบจิตใจแล้วพอใจคนทุกแล้วไม่มีสิ่งที่จะทําเพื่อจะพ้นทุกต่อไปอีกเรียกว่าจบจิตพระพุทธศาสนาจบจิตพระพุทธศาสนาก็จบจิตธุระของจิตของใจก็ถูกมีความหมายเหมือนกัน ยังไม่จบกิจทะพุทธศาสนาก็คือยังไม่จบกิจทะละของกิจของใจพเพราะจิตใจยังไม่เหนไม่ผลแตในทางบนทางบาปอยู่ย้นลงมาถึงใจเลาภาวนากรรมฐานอะไรก็มีใจเป็นหัวหน้าพิจารณากายก็คือกายทับใจใจพิจารณากาย พิจารณาดินน้ำไฟลมภายนอกก็คือใจเป็นผู้ผเป็นผู้พิจารณาถ้ามันมีใจก็ไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นกับใจถ้าแข็งแข็งก็เหนือใจถ้าอ่อนกว่าก็อยู่ใต้อานาจของใจพระบรมศาสดาท่านยืนยันว่าสติปัญญาของเราอยู่เหนือจิตเหนือใจ แล้วไม่ทําตามอําเภอใจเหตุฉะนั้นเราจึงบังคับจิตบังคับใจของเราได้ด้วยพระสติพระปัญญาของเราแข็งแกร่งกว่าใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็บังคับได้ไม่ให้ใจไปทําปติปัญญาของเราอยู่เนื้อจิตเนื้อใจไปอื่นไม่อยู่ใต้อํานาจของใจถ้าอยู่ใต้อํานาจของใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ คนทุกข์ได้พระบรมศาสดาเข้าใจมีกิเลสก็ไปทาตามกิเลสเสียสย่งไหนที่เป็นกิเลสแล้วก็ไม่ไปทําด้วยเพราะกิเลสพาไปทำไมพระบรมศาสดา เป็นผู้ตอบปฏิพานโวหารได้เร็วนะักองค์ท่านในนึกไหวหรือบางคนจะถามองค์ท่านผู้ที่ไปถามองค์ท่านเป็นช่างเกวียนเป็นช่างรถทีนี่องค์ท่านยองถามนั่นเขาเรียกอะไรนะดุมัน นั่นเขาเรียกว่าอะไรกรรมของมัน hmm. นั exactly. well so well ่นเขาเรียกว่าอะไรกงของมันนั่นเขาเรียกว่าอะไรเท่าของมันคุณเล้เตรียมตัวไว้หรือไม่ม่ไจะเตรียมตัวเพราะเหตุใดเพราะชำนาญแต่ท้าคดก็ชานาญเหมือนกันแบบนั่นเองผมพูดนย่างนี้ฉะนั้นมาถามแต่ท้าคดท้าคดจริงไม่เก้อไม่เผนเพราะชำนาญคุณก็เหมือนกันคุณชานาญในทางนี้ เราจะถ้าคดถามคุณก็ต้องตอบได้เพราะคุณทำมาพวกที่ไปถ้ำเคยพภาวนาอันใดสะดวกก็เร่งลงเนอ้ออยากให้มันเสียเที่ยวจงมาเที่ยวนี่คุณหนูตัวนี้นิดนอนเสมอหรือไม่นะได้นอนไหม แน่นอนคืนละสองชั่วโมงไหมหลับหมสองสามชั่วโมงพอแล้วสามชั่วโมงแต่เด็กกําลังกินกําลังนอนก็ลำบากเหมือนกันเด็กกําลังกินกําลังนอนก็ขอขอพอละมานยากเหมือนกันนะเอแต่ว่า เขามีนิสัยอยู่เขาเด็กๆถึงเตียงนี้เขายังอุตสาหพยา ย, ยางนิสัยเขาเสี่ยกล้าใ น, นองค์การเขาสร้างมาเรื่องมานานมเนี่ยอาวนาตะกลนักายที่ยิ่งๆคนหนุ่มคนหนุ่มเนี่ยเสาวๆภาอนาตะกลนักกายให้ ม, มากๆ ถ้ามันชอบคนไหนเนะ่ะให้บนในจินในใจบอกว่าผู้ชายขี้เต็มท้องผู้ชายขี้เต็มท้องอย่างนีน้ภาวนาบริกรรมถ้าเราเห็นคนไหนสวยๆเนะ่ะนึกชอบมันะก็ภาวนาขี้เต็มท้องของมันขี้เต็มท้องของมันขี้เต็มท้องของเราอีกพูดอย่างนั้นมันก็หายเลยไม่รักมันดอกอย่างนี้ ต้องเอาฟอนสวดใส่มันเลยมันจริงจะทำถ้าอย่างนั้นไม่ทำมันเร็วกว่าเรานักนะที่เยู่นี้ <c oughs> ถ้าเรามมวแต่ยกคูอยู่ไม่ทันมันดอกต้องเอามัดเด็ดๆใส่มันเลยท <c oughs> ี่นี่ขอให้ปลาลบที่นี่เ <c oughs> หนื่อยพูดได้เดี๋ยวนี้ จะพากานตลาดบอะไรกอดพาลบบ้างเชีไหมนี่เวลาเท่าไรได้เลยนี่สามสามจเอเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนีสมสามท่ปดเสมี่ปออสมอ่ เนสกิเนสกิบางท่านถือการนั่งเป็นวัดบางท่าบางท่านถือการยืนเป็นวัดบางท่านถือการนอนเป็นวัดเรียกวันนี้สกิคำว่านอนในที่นี่ไหมความเราไม่หลับถ้ามายืนในที่นี่ความเราไม่ได้ยืนยืนหลัก คำว่าเดินในที่นี้หมายความไม่ใช่เดินเหล่าไม่ใช่เดินงูคําว่านั่งก็หมายความไม่ไม่หมายความว่านั่งงูนั่งงูแต่คนทั้งหลายมักพูดว่าถือการนั่งเป็นวัดแต่ว่าการยืนเป็นวัดก็ถือเป็นเนสัตถิปเหมือนกันการนอนเป็นวัดก็ถือเป็นเนสัตถิปเหมือนกันนอนในที่นี้ห ม, มายความว่าม่ใหเหล่า เรืมีสติได้เหมือนกันเพราะมีสติอยู่กับกรรมฐานไม่ยอมให้หลับแต่ว่ายืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดอีอิริยาบททั้งสี่ประการนี้บุคคลสามารถทำความชั่วได้ทุกอิริยาบทเพราะเวลาเดินนึกไปในทางผิดก็ได้ในเวลานั่งนึกไปในทางผิดก็ได้ เวลานอนนึกไปทางผิดก็ได้เวลาเดินนึกไปทางผิดก็ได้เหตุฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทําถูกได้ยืนเดินนั่งนอนให้ทํำความเพีย่ยนในทางนั้นเพราะผู้ยืนเดินนั่งนอนก็าสามารถสร้างกุศลผลบุญในจิตในใจภาวนานได้อยู่ทุกเวลาทั้งยืนเมื่อทั้งเดินเงื่อทั้งนั่งเงนื่อนทั้นอนเงือนนอนไมายความไม่ ไม่ใช่นอนหลับแล้วก็สามารถทำความชั่วได้เหมือนกันขณะใ ด, ดที่สามารถทำความชั่วได้ขณะนั้นก็สามารถทำดีได้เหมือนกันเหตเช่นจึงทงอนุญาตยืนเดินนั่งนอนทำความดีได้ทำความชั่วก็ได้ผู้ที่ชอบทำความชั่ว ถ, ถ้าหากว่าจะสร้างกุศลพ้นุญนได้แต่นั่ง มันก็ไม่ถูกจะสร้างกุศลผลบุญได้แต่ยืนมันก็ไม่ถูกจะสร้างกุศลผลบุญได้แต่นอนก็ไม่ถูกจะทำข่าววัดได้แต่ยืนเดินได้แต่ยืนก็ไม่ถูกและแต่เดินก็ไม่ถูกได้แต่นั่งก็ไม่ถูกได้แต่นอนก็ไม่ถูกก็ได้หมดทั้งสี่อิริยาบถยืนเดินนม่นอนนอนหมายความว่านอนไม่หลัทีทำคามเพียรก็ได้หมดทุกอิริยาบถยืนเดินนม่นอนทําได้ ผู้ที่นอนอยู่ถ้านอนไม่หลับนึกอยากจะไปรักเมียเขาก็ได้นึกถึงการมั่ววิตกก็ได้ผู้นอนอยู่ถ้านอนยังไม่หลับนึกถึงพยาบาลไว้ตกก็ได้นึกถึงาาวิหิงสาวว้ตกก็ได้แต่ผู้นอนอยู่นึกถึงภาวกก น, อ น, อ น, นาก็ได้นึกถึเ ง, งเจนะฝนฝนเละฟันหรือกรรมฐ า, านใดหนึ่งก็ได้ ผู้สำเร็จอรหัตตะมักอรหัตตผลบางท่านก็ยืนอยู่บางท่านก็กลังจะนั่งบางท่านก็กําลังเดินอยู่บางท่านก็กําลังนอนอยู่แต่นอนไม่หลับพระอานนุนเกยหัวลงนอนเลยอ๋อเหนื่อแล้วเราจะนอนจะหน่อยเถอะเอนตายลงปิษะยังไม่ถึงหมอนสำเร็จพระรหัเน่ย บางท่านก็ยืนสําเร็จพระทหารเช่นพนาละกะเป็นต้นบางท่านก็กำลังไปถ่ายอุตระบางท่านก็กำลังประบินสบอดบางท่านก็กําลังจัดอาหารสําเร็จโฉดดาบันสกทาคมีอนาคามมีอยู่ทุกเอิรียบทแต่ผู้ลงนรกก็มีอยู่ทุกเอเริยาบทเหมือนกันมีเวลาจะลงไปได้เหมือนกัน เพราะจิดนึกไม่ถูกเหตุเช่นั้นการเทศกันเดียวกันฟังเวลาเท่ากันผู้ลงนรกทั้งดิบทางดิบก็มีทางเป็นก็มีพูดถึงพระโสดาบันบ้างสัตถาคามีบ้าอนาคามีบ้างอหารหันบ้างการเทศกันเดียวกันบางท่านก็ลงนรกเพราะพิกจิตไม่ถูก บางท่านก็ถึงใจศาสนคมบางท่านก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนรกก็เหมือไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรผู้ที่ลงนรกพเพราะเพ่งโทษพระบรมาาศาสดาพรนางเพ่งโทษพระองค์่อนเทศกันเนี่ย เนสักกิจังคะคนทั้งหลายชอบถือกันนั่งเป็นเนสักกิจังคะเอกาสนิกลังคะนั่งชั้นอาสนะเดียวเป็นวัดอภโกาาธิกังคะอยู่ในที่แกล้งเป็นวัดเช่นอยู่ตามทุ่งนา เนื้ออากรุงโปร่แต่ก็อยู่ได้เป็นเวลาไม่ได้อยู่ตลอดพรรษาในเวลาล้าดูฝนประจำจ้องเข้าหาเสนาสนะหมดจะอยู่ไม่ได้เพราะเพราะมีอะไรมีก้อนอะไรบังคับที่ที่อยู่แจ้งแจ้งเป็นวัดก็ดีก็ก็ดีอยู่ภ่าชาเป็นรัดก็ดีอยู่โกลต้นไม้เป็นรัดก็ดีหมายความมาจะดูเลยละดูฝนหนึ่ ต้องเข้าหาเจ น, นะสหายเพราะมีพระวินัยบังคับอยู่แล้วถ้ามาให้จําพรรษาในไม่มีประตูปิดเปิดเข้าออกจะเป็นประตูฝ้าแถกจองก็อตามจะเป็นใบไม้ก่าตามาห้อยเปิดปิดออกได้เพราะในเวลาฝนตกมาจะได้ปิดมิรมพัดมาก ข้าวินัยมีอยู่หลายอย่างลงมาแต่ทิศใดเธอจงปิดประตูหน้าต่างทิศนั่นสีถ้าไม่ปิดเป็นระแบบทุกกดเขาจะหอบเอาฝุ่นเอาโลนมาเอาปรมานูอะไรมาข้าวินัยมีมากบอกมาก บอกไว้ทุกผลทุกแห่งเพราะวินัย ไ, ไม่ได้เพียงปาติโมกเท่านั้นมีตั้งลันล้านถ้าจักเป็นข้อเพราะวินัยที่มาในปาติโมกก็พอเอาพอเหมาะกสนหลับที่จะไปแสดงต่อกันทุกกลุ่เดือนเท่านั้นนอกพระปาติโมกยังมีอยู่อีกมาก ล่างเท้าไม่ดีขึ้นไปบนชล า, าก็ดีกุฏิก็ดีเป็นรอยนิ้เท้าก็ปรับอาแบทุกกฎทุกทุกเก่าล่างแล้วแต่เช็ดไม่ดีเป็นรอยก็ปรับว่าบทุกกฎไม่ปัดกวาดกุฏิวิหารก็ปรับอาบบทุกก ไปซ่วมถ่ายแล้วไม่ปัดกวาดก็ปรับอาวุธทุกบทปิดประตูดังตึงตึงต่างๆก็ปรับอาวุธทุกบทประตูปิดอยู่ลวดผฝนเข้าไปไม่ตแตะแอมเสียงเสียก่อนก็ปรับอาวุธทุกบทผู้ถายอยู่ข้างในถ้าผู้นอกผู้ผู้อยู่ข้างนอกก็แอมเสียงถ้าไม่ตแตะแอมเสียงตอบ ผู้อยู่ข้างใ น, นก็เป็นอาวัตถุกฏพระวินายมีละเอียดนั้นกันในเรื่องกินกินขี้ขี้ไม่ใช่เพราะง่ายง่าย <c oughs> เอาละทีนี้